จิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเกินสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรที่จะมีความละเอียดยิ่งกว่าจิตแม้จะอยู่ในอำนาจของสมมุติก็ยังมีความละเอียดอยู่ตามหลักธรรมชาติของตน ยิ่งพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเพียงแต่รู้เท่านั้นจะพูดออกมาในแง่ใดมันเป็นเรื่องสม ม, มุติจะทั้งหมดพูดไม่ได้นักปราชญ์ท่านจึงแยกออกมาเพราะโลกอยู่ในสม ม, มตุติมีสม ม, มตุติทำไม่แยกออกมาเป็นสม ม, มติก็เข้ากันไม่ได้ โน่เห็นนี้ท่านเป็นแยกออกมาเช่นว่านิพพานเป็นต้นให้ชื่อธรรมชาติแบนั้นและสะอุปาทิทเสสนานิพพานได้นิพพานทั้งๆทีทท่ยังทรงธาตุทรงขันอยู่อนุปาทิเสสนานิพพาน ่านจากธาตุขันไปเรียบร้อยแล้วหมดความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับสมุิสมสมุิโดยประการทั้งปวงอันเรียกว่าอนุปาทิเสสันิพานจุดท้ายก็ว่าท่านไปนิพา น, นแต่ธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อให้นามนั้นไม่ได้เข้ากันกับคำเหล่านี้ได้เลยคำว่าเช่นนี้ ผู้ฟังจะเข้าใจผิดผู้ที่รู้ในความเป็นนิพพานของตนเท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันองค์จะไม่มีข้อยแย้งกันเลยที่แยกออกมาถึงนั้นก็เพราะโลกมีสมมุติดังที่กล่าวแล้วเพียงอยู่ในธาตุในขันขณะที่ไม่ใช้ธาตุขันคือขันห้าน ระงับเหลี้ยให้หมดสิ้นท่านเข้าสมาธิสมบัติคําว่าสมาบัติก็ยังเป็นสมมุติสมาธิก็เป็นสมมุติแต่ธรรมชาติที่เป็นวิ ม, มุตินั้นอาศัยอันนี้อยู่เข้าสู่อันนี้แล้วระงับสมมุติทั่วๆไปหาเหลือก็เหลือแต่ชื่อว่าสมาบัติ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 ที่จะนำออกสู่สมมติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าความฉลาดในความมายสุดนั่นเป็นสิ่งที่คงที่ตายตัวแล้วพูดว่าฉลาดพูดว่า ง, งูไม่ได้ไม่ใช่วิสัยจะไปพูดกับธรรมชาตินั้นการพูดว่าฉลาดแหลมคมเป็นต้นของปราดชั้นนี้นั้น เราพูดตามภูมิิสัยวาสนาของท่านที่จะนำธรรมออกไปประกาศสอนโลกได้กว้างแคบมากน้อยต่างกันอย่างไรนี่เป็นภูมินิสัยวาสนาที่นำธรรมออกสู่สมมุติส่วนทําไมมุดซึ่งเป็นสมบัติของท่านนั้นไม่ต้องพูดและพูดไม่ได้ว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดเพราะเป็นธรรมาชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวเสมอกันหมดแล้ว ด้วยเหตุนี้เองบรรณาพระกินาศท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาึงต้องอาศัยสมาธิสมาบัติเพื่อระงับระหว่างขันธ์กับจิตให้อยู่สะดวกสบายเป็นครั้งคราวไปจนกระทั่งถึงวันนิพานด้วยเหตุนี้สมถะกับิปัจนาจะ เป็นของภรกินาศหรือเป็นของผู้กำลังดําเนินก็ตามเพื่อความเป็นภรกินาศย่อมมีความจำเป็นเช่นเดียวกันเป็นแต่ว่าจำเป็นไปผลในแง่เท่านั้นเองผู้ที่กำลังดําเนินเพื่อความสิ้นเพื่อความพ้นทุกเป็นผู้มีเกรตนาหวังอาศัยสมถาวิปัสสนานี้เป็นแนวทางเดินจริงๆ แต่ท่านผู้สิ้นกิเลสอาสะวะแล้วนั้นท่านไม่หวังอาศัยเพื่อความสิ้นกิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านสิน้นเรียบร้อยแล้วเป็นแต่เพียงว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตให้เหมาะสมกันตนถึงอายุไขเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่เท่านั้น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 ตลอดวิธีการกำจัดวิเลตถึงความบริสุทธิ์มมุติพนิพพานแต่ทาเหล่านี้ยังเรายังไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะเข้าถึงได้เป็นสมบัติของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มขั้นผู่ ดึงต้องอาศัยความเพยายามตามหลักศาสนาที่ทรงสั่งสอนไว้นี้ยาได้ปลีแดะจากทางดําเนินของพระองค์และสาวกที่ท่านดนําเนินมางานของพระผู้ต้องการความพ้นทุกนั้นเป็นงานที่หนักแน่นหรื อ, อย่าเป็นงานที่หนักเป็นงานที่ต้องใช้ ความภาคเพียรความมุสาพยายามใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอาอย่างมากผิดกับงานทั้งหลายที่โลกทั้งหลายทํากันเป็นไหนไหนด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรดื่มและควรสํานึกตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้ความภาคเพียรของเราเป็นอย่างไรบ้างพอที่จะเข้าร่องรอยแห่ง เช่นทางที่พระศาสดาและพระสาวกท่านดําเนินไปแล้วได้บ้างเล็กน้อยเพียงไหรหรือได้เป็นที่ภูมิใจเพียงไรยึงควรสำนึกเสมออย่าลืมตัวงานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับผู้ต้องการความพ้นทุกจึงไม่ควรถืองานสิ่งใดงานใดมาเป็นอารมณ์เครื่องกีดขวางจิตใจหรือว่ามาเป็นใหญ่ของงานนี้ ซึ่งจะทำให้งานนี้ล้มเหลวไปได้งานของพร ะ, พพระในครั้งพุทธกาลท่านถืองานบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบ เ, เนนยือกเจ็นภายใจิตใจและยิปัจนาธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมทั้งหลายนับแต่ภายในหรือนับแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายใน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 เป็นธรรมที่ครอบวิธีการดำเนินไว้หมดทุกแง่ทุกมุทุกมุกมแล้วศีนั้นเป็นธรรมประเภทยา่างท่านเรียกว่าศีความจริงก็คือถักเบื้องต้นอาศัยการบังคับบัญชา อ, อยู่ในศิกขาบทคือข้อห้ามนั้นๆไว้ก่อนข้อห้ามนั้นๆก่อนนับตั้งแต่ศีนห้าขึ้นไปโดยลำดับ มีแต่ข้อห้ามทั้งนั้นไม่มีข้ออนุญาตเราพยายามปฏิบัติหรือบังคับจิตใจการวาจาของเราให้เป็นไปตามข้อห้ามนั้นๆโดยลำดับลำดับี่ในขั้นนี้ต้องได้บังคับตัวเองให้เข้าสู่ข้อธรรมข้อห้ามประเภทนี้ที่ท่านเรียกว่าศีล สมาธิให้บำเพ็ญที่เรียกว่าสมาะเพื่อความสงบใจโดยการเดินจงกรมมีสติกำกับกับงานของตนที่ทำผู้ใดทำ ม, มีงานอะไรเป็นอารมณ์ของตนเช่นคำบริกรรมหรือกำหนดทำแง่ใด เป็นอารมณ์ในขณะที่ต้องการความสงบจิตมีความสงบเยือกเย็นและเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาภายในตนพึงทาอย่างเอาจิงเอาจังสัทธาวิริยะนั่นังสติมีความเข้มแข็งอยู่ภายในนั้น แต่ยังไม่ใช้ปัญญาในขณะนั้นก็ศรัท ธ, ธาวิริยสติเป็นสำคัญกำกับงานของตนด้วยดีอย่าปล่อยให้เผลอแล้วถูกกิเลสถุดลากอิดส่งไปในแง่ต่างๆแล้วก็ไปกรอบโคยเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตนซึ่งผิดกับความมุ่งหมายของผู้ต้องการความสงบ ต่วจะมัดกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมแล้วฆ่าด้วยปัญญาไปเสียตรงถือเป็นข้อหนักแน่นอยาได้อ่อนแอนในความภาคเพียรเพื่อความสงบใจคำว่าศีลก็เป็นสมบัติของเราผู้บวชแล้วด้วยการไม่ทำลายศีลไม่ฝ่าฝืนศีลทั้งตนสมาธิ เมื่อบำเพ็ญด่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งอกตั้งใจมีสติมีวิริยะความภาเพเปลี่ยนอุสาหะไปอยา่างประทับประครองจิตใจของตนซึ่งลุมล่ ม, ล, มล้อมไปด้วยีิเลกตัณหาซึ่งเป็นกองไฟทั้งกองนั้นให้เข้าสู่ความสง บ, สบอันเป็นจุดแห่งความปลอดภัยไร้กัมมมวลทั้งหลาย ความสงบนั้นมีหลายประเภทเกสิบห้าเปอร์ซมีความสงบเย็นลงไปธรรมดาธรรมดาค่อยยุบค่อยตะล่อมกระแสเข้ามาตล่อมกระแสเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวอยู่โดยเฉพาะภายใน จ, ใจิตใจจากนั้นก็เป็นความรู้ที่เด่นอยู่ในตัวเองความคิดเล็กๆน้อยๆ ย, ย, ยังเป็นไปได้อยู่ในจิตที่มีความสงบนั้นแต่ไม่ได้ คิดกระจายออกไปสู่อารมณ์พอที่จะสั่งสมเรื่องราวขึ้นมาเท่านั้นนี่9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตมักเป็นเช่นนี้แต่ห้าเปอร์เซ็นนั้นว่ารวมรวมจริงๆเหมือนคนตกเหวตกบอก่อลงอย่างผาดโผนอย่างรวดเร็วเวลาถอนขึ้นมาก็ดีหรือเวลาออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากจะเป็นจิตประเภทห้าเปอร์เซ็นนี้ออกรู้ ถ้าสติปัญญาตามไม่ทันก็มีทางเสียได้เพราะไปรู้สิ่งต่างๆซึ่งตนไม่เคยรู้และส่วนมากเราเคยเชื่อกิเลสสิ่งพาให้งมงานมานานอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมากจะเป็นเรื่องของกิเลสหล่กลวมเรียกวิวปัสสนูในสมาธิก็มันผิดเราอย่าว่าวิปัสสนูของกิกเลสทิพุกนั่นเลย ความสว่างไม่ได้สว่างอยู่ภายในจิตแต่มันสว่างไปข้างนอกไปเห็นนั่นเห็นนี้เห็นสิ่งต่างๆบางทีก็เหมือนดวงเหมือนดาวเหมือนตะวันตกลงมาอยู่ตรงหน้าเกิดวความสว่างเป็นดวงเท่าผลมะพร้าวเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วตงแต่เป็นนาการของจิตที่ออกจากจิตนี้ไปแสดงตัวขึ้นมาให้จิตซึ่ง ไม่สันทั์จัดเจนกับสิ่งเหล่านี้ในลุ่มหลงแล้วตะครุบเงาของตนไปมีซึ่งเป็นเกิดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้โดยไม่สงสัยในห้าเปอร์เซ็นตนี้ไม่ค่อยวิตกวิจารณ์สำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายสำคัญที่9ก้าห้าเปอร์เซ็นตก็คือพวกเราๆท่าน ท, ทั้งหลายเราอย่าไปคำหนึ่งถึงเรื่องความสงบของท่าน <S <S <S <S คุณนั้นเป็นอย่างนั้น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 นี่ก็เป็นตัวสัญญาหลอกเจ้าของนไม่ใช่ความจริงสงบคํา ม, มาในอาการใดเด้วยความมีสติดูในหลักปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่าเป็นสมบัติของตนแท้เป็นจริงที่ตนรู้แท้เห็นแท้ปรากฏในจิตใจของตนด้วยการภาวนาของตนแท้ๆนี่เป็นความถูกต้องสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าไปเป็นกังวลกับเรื่องเหตุเรื่องผลของผู้อื่นใด แล้วนำเข้ามาเทียบเคียมกับของตนนี้อเอาอย่างปูนั่นปูนั่นโดยความคาดหมายจะเป็นความผิดและไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสร้างความกังวลให้เ่ตนแล้วก็เกิดความเพิ่มขึ้นมาไม่เป็นประโยชน์เลยขอให้จิตใจมีความสงบด้วยการภาวนาผู้กำหนดอนาปานสติกก็ไม่ต้องไปมุ่งเอาอันใดมุ่งให้รู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเข้าออก ตั้งลมที่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าลมสัมผัสมากเช่นดั่งจมูกเป็นต้นให้ทำความรู้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ต้องคาดหมายสูงต่ำใกล้ไกลภายในภายนอกนอกจากกาหนดรู้อยู่เฉพาะลมที่สัมผัสเข้าสัมผัสออกด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี้เป็นความถูกต้อง แล้วการตั้งลมมีกลมายาอันหนึ่งที่จะหลอกลวงผู้ปฏิบัติให้ตั้งแล้วล่มเหล่าตั้งแล้วลม่มเหล่ามีเช่นกำหนดลมอยู่เพิ่มพอเพลินเพราะไม่เผลอสติตั้งท่าตั้งทางดูลมดูอย่างนั้นลมเข้าหรวออกที่นี้มันทนี่ความปรากฏในจิตนั้นเมื่อตั้งปนาน จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าฐานที่เราตั้งลมนี้แต่ก่อนเราตั้งไว้ที่ดั้งจมูกบัดนี้ปรากฏว่าสูงขึ้นกว่าดั้งจมูกบ้างหรือเจ้าดั้งจมูกพาให้สูงขึ้นไปบ้างและต่ํากว่าดั้งจมูกบ้างหรือดั้งจมูกพาให้ต่ําบ้างอย่างนี้แล้วก็มาตั้งใหม่พอดําเนินไปดําเนินไปถึงจุดที่มันเคยเป็นมันก็หลอกอีก มาตั้งลมอีกตั้งไปตั้งมาเหมือนกับปลูกต้นไม้พอจะขึ้นแล้วก็ย้ายปลูกใหม่ย้ายปลูกใหม่สุดท้ายต้นไม้ก็ไปไม่รอดต้องตายนี่การตั้งลมประเภทนี้เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจเพื่อความถูกต้องไม่สงสัยก็เราถือเอาการตั้งลมเบื้องต้นคือตั้งที่ตั้งจมูกลมผ่านเข้าก็รู้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 ด้วยลมหายใจนี้เราก็ไม่ได้เอาลมอันนี้เป็นเครื่องยึดเป็นอารมณ์ของใจในเมื่อยังตั้งตนไม่ได้ตั้งหาเราจึงต้องอาศัยลมเมื่อกำหนดลมพอจิตสงบเข้าไปจิตกกสงบเข้าไปลมนี้จะละเอียดเข้าไปละเอียดเพียงไรก็ให้รู้อย่าไปคาดไปหมายให้รู้ในหลักปัจจุบันแล้วสุดท้ายก็จะไปถึงที่ลมหมดนะ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 แม้ลมจะหายไปก็ก็ตามเถอะเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหาได้แล้วละเอียดจนกระทั่งลมหายเงียบสิ่งที่ไม่หายคืออะไรคือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในจิตนั่นเอาตรงนั้นทีนี้ลมไม่ลมไม่สําคัญเพราะยึดจิตชงตัวได้แล้วเข้าถึงตัวจริงคือจิตแล้ว ลมอันเป็นเงาเพื่อตามจิตเข้าไปนั้นมันก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปไม่สำคัญเพราะเราตามรอยโคก็เพื่อจะจับโอโคตัว น, นั้นต่างเราไม่ได้ตามโคไปเพื่อจะเอารอยโคนี่ก็เหมือนกันทีงนั้นนี่วิธีการทำความต้อง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 นี่ให้ทําความเข้าใจเอาไว้นี่คือความจริงเป็นเช่นนี้ในวิธีการภาวนาเพื่อสมถะคือความสงอบใจเราอย่าเอ็นนู้นเอ็นนี้เอาผลของคนนั้นมาเทียบคนนี้เอาผลของท่านมาเทียบของเราเอาเหตุของท่านมาเทียบกับเรา <C ue> เหตุของเราก็คือเราทําอยู่เวลานี้แหละที่เหตุจะให้สมบูรณ์ก็คือมีสติเหตุจะสมบูรณ์ได้นี่การภาวนาหลักของสมถะ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 บำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นมาอยู่เวลานี้เลยหลักสําคัญอยู่ที่ตรงนี้มีท่านว่าจิตสงบในขณะที่มีความสงบก็พรจิตให้มีความสงบอยู่กับนั้นเวลาจิตพอตัวอยากจะขยายตัวออกมาสู่ความคิดอ่านต่างๆ ก็ให้คิดไปทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายในสกุลกายนี้ก็ได้เหลือพิจารณาสกุลกายภายนอกเกียวกับเรื่องอสุภะอสุพังเป็นสําคัญสําหรับนักบวชเราที่จิตยังหาความสงบไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจแจ้งชัดในสิ่งนี้การพิจารณาด้วย อ, อสุภะเป็นของสําคัญมากเพื่อระงรับราคาตันหา ลงได้นอกจากระงับแล้วยังต้องทำลายได้ด้วยวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของธาตุขมขันธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ขันก็คือขันห้าได้แก่รูปประขันเมทนาขันสัญญาขันสัง ข, นขนญญานขันวิญญาณขันซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้อีกเช่นเดียวกัน ให้เห็นแจ้งตามความจริงของขันนั้นๆความเห็นธรรมดาของเราที่เห็นนี้มันเห็นไม่แจ้งเห็นด้วยอานาจของอวิชชาปิดหูปิดตาให้เห็นเห็นด้วยความปิดหูปิดตากับเห็นด้วยความเปิดตานั้นต่างกันอวิชชาพาเห็นพาให้รู้ดังที่สามัญชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังทั่วไปนั้นรวดแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของวิชชาพายรู้ให้เห็น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 ในธาตุสีก็มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาธาตุสีนี้มีประจําทำไมจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านทำไมเห็นสาวกทั้งหลายท่านทํไมเห็นท่านเห็นด้วยวิธีการใดท่านเห็นด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาค่อยควรหรือสอดส่องขี่คลายอยู่เสมอย่อมสามารถรู้ได้เห็นได้จนผ่านพ้นไปได้เราก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคต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 นี่นีภายในของหนังนั้นเป็นอีกอย่าง น, นเราต้องได้ดูด้วยปัญญาภายนอกถ้าดูด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกเราได้เพราะสิ่งโสกปกโซมมมันก็เต็มไปตามผิวหนังนี่แล้วท่านบอกขี้ใครนั่นะบางทีขี้มันเป็นของดีเมื่อไรขี้สนิมเต็มตัวต้องช้าต้องล้างต้องอาบเช็ดถูอยู่ ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่กังวลในการปฏิบัติรักษาชำรนะล้างยิ่งกว่าร่างกายที่มีอยู่ในตัวจริงที่ใดก็ตามแม้จะสะอาดสวยงามเพียงไรเมื่อเข้ามาถ้าข้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปตะกูลนี่แล้วก็ต้องกลายเป็นของะฏิกูลด้วยกันเช่นสถานที่อยู่ผานุ่งห่มสบงกีวร ต้องได้ซักได้ฟอกความเช็ดต้องถูไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่ได้เหม็นครุ่งไปหมดเพราะตัวนี้เป็นตัตวการหุ้มห่อสร้างผีดิบนี่ไว้เมื่อน้ามายหรือซึมชาบออกมาสู่ภายนอกออกมาตามเหงื่อตามใครเพราะของชงก็ปลกอยู่ภายในเมื่อซึมชาบออกมาก็าต้องการเป็นของปฏิกูลติดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเครื่องนุ่งห่มใช้สอยทั้งหลาย ให้เป็นของพัตสกุลน่าเกลียดน่ากลัวตามๆกันไปหมดจึงต้องได้ทาละสาสางซักพอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเทียบเคียงให้เห็นเป็นจัดเป็นส่วนอย่างนี้แล้วก็เอาย่นเข้ามาอีกถึงหนังหนังหุ้มหอ่อตจาจับเปลี่ยนโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหรือมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้คือสิ่งที่หลอกจัดโลกให้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 สติปัญญาได้อย่างทราบถึงหลักความจริงนี้แล้วต้องเกิดความสลดสังเวชเกิดขนพองสยองกล้าวขึ้นมานี่เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยเวลามันเห็นจริ ง, รงๆเห็นเองมันเกิดความสลดสังเวชโอ้โหถึงขนาดนี้เถอะเลยเพิ่งมาเห็นของปฏิกูลเพิ่งมาเห็นร่างกายวันนี้เหรอบวชมากี่ปีกี่เดือนพิจารณากันมาสักกี่วันทําไมจึงเพิ่งมาเห็นวันนี้สิงนี้เป็นของที่มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนล่างไหมทําไมจึงไม่เห็นกันเดี๋ยวนี้ อ๋อท่านเห็นกายหรือวากายานุปัสนาท่านเห็นอย่างนี้เองเชื่อเลยทีเดเพราะมันประจักษ์ใจของเราอยู่แล้วถ้าจะลบล้างความเป็นของท่านที่สั่งสอนเรามานั้นเราต้องลบล้างความจิงของเราที่รู้ที่เห็นอยู่บัดนี้เสียนี่เราจะกล้าลบล้างได้ไหมความจิงที่รู้เห็นอยู่เวลากับท่านที่สั่งสอนมาก่อนรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วมาสั่งสอนพวกเรามันเป็นอันเดียวกันเมื่อลบล้างอันนี้ไม่ได้ยอมรับอันนี้ก็ต้องยอมรับ พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงรู้ทรงเห็นนะพระสาวกทั้งหลายไม่รู้ได้เห็นอย่างไรสั่งสอนอย่างไรจนกระทั่งถึงท่านละท่าน ย, ยอมรับกันไปหมดโดยลําดับลาดับความรู้ของเรามีปรากฏขึ้นเพียงไรยอมรับไปโดยลําดับนี่แยกกันออกอย่างนี้การพริจารณาอสุภะปุ๊บธาตุขันธ์ทางด้านนิพพานาคือปัญญาบางคับจิตใจให้รู้ให้สอดส่องไปตามมีสติควบคุมงานสติต้องเป็น นายหัวหน้าตั้งทับให้จิตทำมานคือปัญญาในขั้นนี้ยังไม่เห็นผลแห่งการพิจารณาของตนจึงมักจะทะเลถลายกลายเป็นสัญญาอยู่เสมอแต่เมื่อมีจิตได้รับความสงบบ้างแล้วออกมาพิจารณาพอได้ถ้อยได้ความดังนั้นกับพิจารณาเอาเข้าไปจนออกจากหนังแล้วเข้าไปหาเนื้อเอาสมมุติขึ้นมาเพราะเราติดสมมุติไม่สมมุติแก้สมมุติจะทำอย่างไร ือนี่มันสมมุติทั้งนั้นว่าสวยว่า ง, งามก็ตั้งเอาเศกสัสรเอาทีนี้เราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จะไปว่าสมมติไสมมุติตัวเองขึ้นมาหลอกตัวเองได้ไหมไม่หลอกออืเรื่องของปัญญาเทปีนาคความจริงต้องตั้งขึ้นมาดูอไปถึงเนื้ออา้าวเวลาคนตายแล้วกี่วันอืมันจะแสดงความเน่าพองขึ้นมา เพียงสองวันเท่านั้นก็เห็นได้อย่างชัดๆัดแล้วไม่ต้องพูนมากเลยนะสี่สิบแปดชั่วโมงก็เห็นได้ชัดแล้วเน่าเาพองอืดขึ้นอืดขึ้นมาฉะนั้นก่อนระเบิดปังออกมาแตกก็จะกระจายล้วนแน่ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งร่างนี้เลยนี่สวยตรงไหนงามตรงไหนน่ารักใครชอบใจคัอ้าวที่นี่เข้าไปนอนกอดดูสิกอดได้ไหมเนี่ยทราบผีตรงนี้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 นี่หรือสัตว์นี่หรือบุคคลนี่หรือเรานี่หรือเขาเป็นอย่างนี้หรือนี่พิจารณาอย่างลงไปอย่างไปทลายจิตมันยิ่งซึงซ้งซึง้งซึ้งลงไปโดยลำดำับเกิดความสระโสังเวชโอ้หน้ําตามันร่วงลงเราไม่รู้สึกตัวไม่กังวลเอาร่วงก็ร่วงส่วนสติปัญญาที่เดินตามแถวตามแนวที่ตนกําลังพิจารณาเป็นไม่ลดละจนกระทั่งร่างกายทั้งหลานนี้กระจายไปหมด เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟให้เห็นได้อย่างชัดชัดไม่ว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามธาตถนัดในธาตุใดให้พิจารณาธาตุนั้นจะวิ่งทั่วถึงกันหมดอย่าไปพิจารณาว่านี่ธาตุดินอย่างนี้แล้วธาตุน้ำเป็นไงแล้วธาตุลมเป็นยังไงแล้วธาตุลมเป็นไงธาตุไฟเป็นยังไงอย่าไปสนใจมากยิ่งกว่าสิ่งที่ถนัดในการพิจารณาเวลานั้นนั่นเป็นสําคัญเพราะทําเหล่านี้เป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันดังที่ท่านว่าทุกสมุทัานิโรธมาก อย่าเข้าใจว่าไปทํางานคนนั้นหน้าที่นะในภาคปฏิบัติแท้ๆไม่ได้ทํางานคนนั้นหน้าที่ทางานในขนาดเดียวกันกลมคืนกันไปหมดทั้งสัจจะสี่นี้และสติปัฏฐานสีเหมือนกันอย่างนั้นพอแยกเยอะลงไปแล้วกระดูกมันก็นมองเห็นได้ชัดๆหลังจากนั้นแล้วกระดูกมันก็ค่อยกระจายตัวลงไปกลายเป็นดินเป็นธรรมชาตินี่ที่นี้ยังเหลืออะไรก็เหลือแต่ความรู้ทีนี่จิตมันจะ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 ให้ตั้งใหม่หาเอาใหม่สติปัญญาเรามีหาอาใหม่ยาไปเอาสติปัญญาเก่ามาใช้ถ้ามันไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กันเองถ้ามันเกิดขึ้นเองสัมผัสสัมพันธ์กันเองนั่นเรานํามาใช้ได้ถ้าเราไปคว้าเอาสติเอาปัญญาอันเก่าที่เรามาใช้เมื่อวานนี่เราทํานี้วันนี้เราจะต้องทํานี้ให้เป็นแบบไปตามแบบแปลนแผนผังนั้นๆัมันเป็นโครงการของโลกไปแล้วนะมันไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติในปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นการถูกต้องสำหลักปฏิบัติจริงๆเราต้องทําอย่างนี้ อ้าวสติปัญญามันผิดขึ้นมาได้อผิดขึ้นมาได้เรื่อยๆวันหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งแสดงอาการดังหนึ่งขึ้นมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องศาสนาธ ร, รรมให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยินดีคลายอุปทานความยิดมั่นถึงมั่นไปโดยลําดับลาดับนี่เรื่องปัญญาเวลาพิจารณาแล้วอ้าวทีนี้เวลาจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้ดําเนินตามที่ว่าน mismo. เพียงพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็ก เป็นสมาธิอัละเอียดขึ้นมาแล้วสงบแน่วเลยทีนี้ต่อยกังวลโดยประการทั้งปวงมีความกระหยิ่มองค์อาจกล้าหารภายในจิตนี่สมาธิที่เป็นขึ้นด้วยอํานาจของปัญญานี่ขึ้นเป็นความอุ่งอาจกล้หารขึ้นมาอี ก, กประเภทหนึ่งแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองมีวิธีการทพิจารณานี่ลักงานของพระให้พากันดําเนินงานนี้อย่าหนีจากงานนี้ งานนี้แหละคืองานที่จะปลดเปลื่องกิเลสอาสวะอั น, นเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะความสําคัญผิดหลงงมงายในธาตุในขันอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามาตั้งแต่กับไหนกัในใดเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักขันนี้กัติดกันมาพันกันมาว่าเป็นเราเป็นของเราเงนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีใครมีความรู้เหนือใครมีความรู้ที่จะต้องมาแบกขันห้าด้วยกันว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันหมดแต่อุบายวิธีที่กล่าวนี้เป็นอุบายของสัตว์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 เวทนามันมาจากไหนมันเป็นได้อย่างไงพี่จินนาอันนี้มันกติากาเป็นของจริงเหมือนกันหมดสุขก็สัพพะปรากฏขึ้นมาทุ ก, ร ก, กรปรากฏสัพพะปรากฏขึ้นมาเฉยเฉยก็สัพพะปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปดับไปตามสภาพของเขาเขาไม่มีความหมายในตัวเขาเลยไม่มีความรู้สึกตัวเขาว่าเป็นเวทนานั้นเวทนานี้ได้ให้ร้ายต่อผู้ใดเลยนอกจากกิจที่ตัวเข้าใจว่าฉลาดนี่นหะมันโง่มันไปแบกทุกไปแบกเวทนาตั้ง ห, หลายเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเรา เราเละกลายเป็นเวทนาไปเสียมันมันไม่เป็นตัวจริงได้เวทนาเป็นอนิจจังทุกขังนาตาอีทนี่ก็เลยกลายเป็นเข้าไปสู่กงจักให้เวทนานั้นผันหัวเอาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทุกขเวทนาแสดงอาการบอกไว้ชัดเจนสัญญานี่ละเอียดมากนะเราทราบทางวงปฏิบัติละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารสังขารเวลาจะปรุงออกมานี่แยบ ทำให้กระเพื่อมให้รู้มันมันมีความรู้สึกพอสังขารจะปรุงยักมานี่จะเป็นความกระเพื่อมเหมือนกับมีอะไรผลักดันออกมาให้รู้นิดๆแต่สัญญานี่โ้โหเหมือนกับกระดาษซึมเชอะนะเหมือนกับน้ำํำซับน้ําซึมมันซึมไปเรื่อยจนปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วนู่นน่ะดูสิไอภาพเราปรุงแผบเดี๋ยวมันเป็นภาพนั้นเป็มอันหนึ่งนะที่สัญญาค่อยๆวาดภาพขึ้นมานี่มันละเอียดมากแต่ยังไงก็ตามให้ทราบวันนี้คือเงาของกิจทั้งนั้น เราอยากไปหลงกลับมันไม่ว่าจะเป็นภาพใดก็าตามมันเป็นเงาของจิตที่เคยมาดั้งเดิมนี่เราจะพิจารณาให้รู้ทั้งเงาให้รู้ทั้งตัวอย่างชัดเจนแล้วปล่อยวางตามเป็นจริงหมึกสติปัญญาด้ดยพิจารณาใช้อยู่นี่แล้วแล้วเราเล่าไม่หยุดไม่ถอยเวลาพักสมา ส, ส, ส, สก็พักถึงเวลาใช้ปัญญาแล้วอยา่างกลัวเสียวเวลาในการพัก อย่าไปภาวพะพาวนในสมาธิเอาให้จริงให้จังมีอยู่ในวงปัจจุบันธ ร, ร่นอย่าให้คิดเรื่องอดีตอนาคตรเรื่องความอยากพ้นทุกข์พ้นภัยไปไหนมาไหนอย่าคาดไปนอกเหนือจากตรงตรงที่ทุกกําลังบีบคั้นหัวใจอยู่นี้จะเปลืองตรงนี้ออกตัวปัจจุบันนี้แหละมันบีบอยู่เนี้ยเปลือกตรงนี้ออกมันก็พน้นฉะนั้นพ้นทุกข์พ้นไปเดิมนับพ้นที่หัวใจอย่าเข้าใจว่าไปพ้นกับอดีตอนาคตพ้นตาม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 แนแนวทางให้อุบายต่างๆแก่เราเพราะเราไม่สามารถที่จะดำเนินด้วยตนเองโดยวิธีหรือโดยอุบายต่างๆยึงต้องมาอาศัยครูอาจารย์คอยแนะนาตักเตือนสั่งสอนให้อุบายวิธีการต่างๆในการที่จะปฏิบัติต่อกิเหล็หรือแก้ไขจิเหล็หรือดำเนินเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมราบรื่งนงามจึงต้องมาอาศัยหลักใหญ่ก็คือเราต้องการทำเราแสวงหาทำตั้งแต่ ทำเบื้องต้นจนกระทั่งถึงทำสุดยอดเราต้องการอย่างนั้นนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าขอให้ทําให้ถึงใจเถอะเมื่อถึงใจแล้วคำวมาการสถานที่มันจะหมดปัญหาไปทันทีอย่างพบนั้นพบนี้พบน้อยพบใหญ่เกิดที่นั่นตายที่นี่ซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนานเท่าไรแสนนานมันจะมาขาดสะบั้นลงในปัจจุบันแห่งความบริสุทธิ์ของกิตนี่แนะ่ละเป็นผู้ตัดสินได้เอง ไม่มีผู้ใดจะไปถามพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกองค์ใดไม่ใช่สาวกบ้านี่เพรา ะ, ะเหตุประทมของพระพเจ้าพ่ะชาติทำสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเมื่อถึงขั้นสันติโกสันติโกเ ต, ต็มภูมิแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าทํำไมอืความจริงมีเหมือนกันเสมอกันรู้อย่างเดียวกันเข้าใจแล้วไม่ต้องถามนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจาะปฏิภาณ น, นานเพียงไรก็าตามนั่นตักแต่วาการขององ่งเท่า น, านั้น สัมพันธ์ก็คือว่าสวาคาธรรมนั้นจับไดชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วที่เราจะปฏิบัติตำเนินตามนี้เพื่อเหตุเพื่อผลสําหรับเราเองถ้าเราหนักแน่นตรงที่ตรงนี้อย่าไปคิดขาดคิดหมายแล้วให้เสียเวลาเวลาซึ่งเป็นเรื่องของจิตเดียดหลอกทั้งนั้น่ะส่วนมากเอาให้จริงให้จริงไปนี่งอชุพะอชุพั์เป็นของสําปันเอาให้จริงให้จั ง, ง, งพิาจารจณาภายนอกเอาเทียบเทียงนะไม่ใช่จะพิจารณาภายในยเอาภายนอกมันมีความกําหนัดยินดีในรูปใด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 ทำอันเดียวกันเป็นศาจะทําเหมือนกันหมดเมื่อรู้แจ้งแจงตลอดแล้วก็ต้องรอบไปหมดทั้งเขาทั้งเรามันเป็นเหมือนๆกันนี่ถึจะหายสงสัยคันอันนี้แหละคันลําบากจะจะเกียบตะกายเรื่องการมมรรคเหลือนี่หนักมากนะต้องได้ฝืนกันจริงๆสู้กันจริงๆก็เป็นตายไม่ได้เล่นนะนี่นะเอาจริงมาจังยาไปมีความอะไรเสียดายกับอารมณ์อะไรเลยที่เกี่ยวกับว่าเป็นการมมรรคเหลือให้หักฟันมันเข้าทันที อย่าไปอารมณ์ลึกคล้อยตามามันเป็นอันขาดนี่จะแพ้มันอย่างหลุดลุ่ยเลยต้องฟันกันเข้าไปเลยฟันเข้าไปเลยนี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติพอจนกระทั้งมาถึงขั้นมันกล้าหาญเมื่อพิจารณาเต็มที่ของเราเห็นประจักษ์เต็มกําลังภูมินี่แล้วมันจะเกิดความกล้าหาญหรือความกล้าหาญไม่อยากเดินผ่านและ แต่คนธรรมดาเนี่ยจะเอาตั้งแต่ตัวสำคัญสำคัญที่มันรักมันชอบมันกำนัดยินดีเนะอืมมันเต็มอยู่เป็นร้อยๆเนี่ะบุกเข้าไปตรงกลางนี่เลยมันจะไมมีความกำนัดยินดีอะไรเลยโน่นมันอาจหานใเวลามันถึงขีถึงขั้นมันอาจหานมาหารเต็มที่เลยแต่ความอาหารให้บึงทราบว่ามันยังอยู่ในขั้นยังอยู่ในขั้นทดลองยังไม่ใช่เป็นจริงแต่พอถึงขั้นมันเต็มตัวของมันแล้ว ความมันหันก็คือบ้าหนึ่งแหละว่าอนีเป็นยงั้นนะพอรู้ชัดแล้วมันไม่กล้าไม่หานไม่กลัวมันจริงต่างอันต่างจริงรู้ชัดเจนต่อยเนี่ันเป็นอย่างนั้นี่กลางแล้วที่นี่มันเป็นกลางอันนั้นยังห้าวหานแต่แต่ก่อนก็กลัวนี่ออกมาเกิดคําห้าวหันนะพลิกไปศูนย์กลางแล้วใช้ไหมด้วยปัญญาชอบหาย กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวทดลองทดลองอะไรรู้ชัดเจนขาดสะบั้นภา น, นจิตใจรู้ได้อย่างชัดเจนอตัดสะพานกันขาดรู้อยู่ในใจไม่มีเงื่อนต่อทีน่นี่รู้ได้ชัดนานเป็นขัานขั้นขึ้นมาถ้ามืันเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องร่างกายแม้แต่ร่างกายเราเองมันยังไม่สนใจพิจารณามันจะหมุนลงไปตั้งแต่นามธรรมอะทีนี่พวกเวทนาตัณยานั่งขาตัณยานามธรรม เวทน า, าสัญชาติการนี่ยนี่มันก็เป็นเวทนาของจิตโดยมากนะเวทนาของกายก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแล้วที่นี่นะมันจะเข้าเวทนาจิตมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเล็กๆน้อยๆตามขั้นละเอียดของจิตมันก็จับเมื่อ น, นั้นมาพิจารณามันไม่ไปไหนแล้วที่นี่มันแคบเข้ามาแคบเข้ามาตัดลากป่อยเข้ามามากๆแล้วยังเหลือแต่ลากแก้วจะโค่นมันนี่ฟันข้างนั้นฟันข้างนี้เข้ามาตัดั้งนั้นตัดข้างนี้เข้ามา จิตจะมีงานทําอยู่เพียงตอนนี้แค่เข้าไปแค่เข้าไปมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็โอ๊ยมีธุกิจดวงเดียวอื่อไรก็มีธุกิจดวงเดียวนอกนั้นไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็พระมันตัดปัญหาหมดแล้วมันจะเอะไรมาเหมีอก็ยังเหลืออย่างเดียวสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดืึมอยู่ในอจิตดวงเดียวนี้หมุนกันไปหมุนกันมาทิ้กันไปทิ้กันมาอย่างนั้นไม่ว่าอียาบทใดสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือ ฟาดกันลงในจุดนั้นสักจนแหลกไปเลยเป็นอาจารย์ทุกขังห้าตาเหมือนกันหมดเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันหมดลงในความจริงตามหลักธรรมชาติแล้วมันก็ขาดอีกมันอีกเป็นขั้นหนึ่งนะที่ว่าขาดในเรื่องของรูปอ น, นั้นเรื่องส่วนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสุภาพสุภาพนั้นขาดสะบั้นไปแบบหนึ่งอันนี้ขาดสะบั้นไปอยูแบบหนึ่งขาดคราวนี้ไม่มีเกาะมีดอนอขาดขั้งนั้นมันยังมีเกาะคือนี่คือกิจ อันนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆมีกวามกิเลสเป็นต้นเข้าไม่ถึงกันขาดกันแล้วอ้าวคราวนี้ขาดตรงนี้แล้วขาดหมดไม่มีเกาะมีดอนเลย <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นยังไงถ้าเราจะเรียกวิ่งว้างหมดสัตว์บุคคลที่ไหนไม่มีว่านั่น <c oughs> นั่นคือผลของการปฏิบัติด้วยความเอาจินเอาใจเตือ ง, งให้เป็นหนักหน่วงจิต ทางด้านจิตใจให้มีความหนักแน่นในความภาพเปลี่ยนของตนอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสําคัญยิ่งกว่าการแก้กิเลสของเราด้วยความมีสติตั้งอยู่ทุไอยาบุไปไหนเดินพุทธามากก็เห็นคนก็สักแต่ว่าคนหน้าที่ของเราที่ทํางานของเราที่ทำอย่าปล่อยให้มันจริงมันตังไปตลอดเวลานี่ยเหมาะสมเราให้จริงให้จังอย่างนั้น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 เพื่อ ง, งานอันนี้หมดแล้วทําไมผลที่เพิงปรกาศชนาอันสุดยอดแตเราจะไม่ได้รับมีอย่างเลยอครูบาอาจารย์เมื่อให้อุบาลแนะนําตังสอนก็มีอยู่แล้วไม่เป็นที่สงสัยมันน่าจะภูมิใจในการปฏิบัติของเราเพียงลําพังเราที่ไม่เคยได้ยินจากครูจาอาจารย์มันสงสัยทั้งนั้นแหละเรียนมาทศกัณฐ์าาจบพระไกรพิฎกก็เถอะหาความสงสัยหากิเลสตัณหาอาสว ะ, ะตนเรียนมากรู้มากมันเลยมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเต็มตัว ไม่สามารถจะมาแก้ตนได้ต้องอาศัยภูวาอาจารที่เคยผ่านทางด้านปฏิบัติมาแล้วอย่างช่ำชองมาแนะนำตสอนมันก็ถูกตามจุดนําจุดตามจุ ด, มจดไม่ต้องเสียเวลาแนะนําตรงไหนถูกตรงนั้นไม่มีผิดไม่มีสงสัยสุดท้ายนก็ไปได้โดยไม่ต้อ ง, งสงสัยเช่นเดียวกันอืเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านปัญญาชี้บานเพื่อนฟั